เทรังสีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่บุญจันทร์จันทาวโรและหลวงปู่สุวัสด์สุวัโจเป็นต้นอุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณวัดชนประธ า, ร, ารังสฤษจังหวัดนนท บ, บุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญาณนนทพิขุเป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณวัดบุรพารามจังหวัดสุริน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 และทางเอกพศ2549เป็นต้น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 วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับของมหาวิยาลัยราชบัตรสวนสุนันทาที่ได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับท่านประโมทประโมทโชว์ได้มาแสดงธรรมที่นี่นะครับสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าวังสวนสุนันทาซึ่งเป็นวังที่สมเด็จพระบจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงปโปรดสร้างวังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ ม, มารีรัตน์หรือเราเรียกว่าพระนางเลนล้ม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 วัดและพระก็ยังไม่ใช่ธรรมะตัวจริงนะเราทุกวันนี้เราเข้าวัดตอนไหนบ้างเข้าไปงานศพนะกับเข้าตอนเป็นศพ <c oughs> มีสองอย่างนะไม่ก็เข้าไปสะดอกเคาะอะไรเงี้ยชีวิตมันว้าเหวนะไม่รู้จะทำไงบางทีก็ไปให้พระเป็นหมอดูโถพระท่านจะดูได้ไงนี่ทำไงธรรมะมันจะมาอยู่ที่ใจเรานะเราต้องไม่ปฏิเสธธรรมะซะเอง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 ให้คอยรู้ทันใจตัวเองะข้างหลังมีพวกเด็กๆเยอะแยะนะพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยอยากมีคนรู้ใจนะเพดัะนั้นอยากจะมีคนรู้ใจนะขั้นแรกหัดรู้ใจตัวเองซะก่อนถ้าใจตัวเองยังไม่รู้เลยเธอจะให้ใครเข้ามารู้ใจเรานะงั้นเราหัดรู้ทันใจของเราให้ดีนะต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนเรารู้หมดนะเราจะรู้ทันเขางั้นเราฝึกไปเรื่อยใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันใจเราโลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาเราคอยรู้ทัน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 ปากก็ทาไม่ได้ปากเขียวหรือนะโอ้อยางงั้นมันก็เกินไปนะมันไม่จําเป็นสําหรับคารวาสขนาด น, นั้นหรอกนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละถือศีลห้าไว้นะคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นเพอใจรู้เมื่อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเดินยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเฉยๆคอยรู้สึก จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหูจิต ใ, ใจอิจฉาเนี่ยจิตใจกังวลจิตใจกลัวจิตใจเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆถ้าเราคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปปัญญามันจะเกิดคําว่าปัญญาในทางศาสนาพุทธนี่แปลกนะไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เรารู้จักหรอกไม่ใช่อ Q สูงนะไม่ใช่เลยปัญญาในทางศาสนาพุทธคือการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต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 คลมตั้งแต่ต้นจนจบเลยการปฏิบัติธรรมเน่ยขั้นแรกเราต้องใจปกตินะมันจะร่อนเร่ตลอดเวลาใจเราจะหนีไปตลอดเวลานะเดี๋ยววิคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาเราก็เลยต้องมีที่บ้านให้ใจอยู่บ้านที่จะให้ใจอยู่นี่แหละภาษาแขกเรียกว่าวิหารธรรมนะนี่หลวงพ่อต้องแปลเป็นภาษาไทยหนะน่อยเด็กข้างหลังมันไม่รู้เรื่องนะวิหารธรรมก็คือบ้านที่ให้ใจอยู่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 คิดมากมากกว่าคิดมากเด่นกว่าถูกต้องตอบได้หรือยังว่าควรจะดูอะไรดูจิตก็ดูจิตเนี่ยแมตอบด้วยตัวเองก็ได้เห็นไหมเออนี่สอนแบบทันสมัยนะให้นักเรียนคิดเองแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะว่าอะไรถามอะไรนะเอจะให้เจริญก็คือทำยังไงถึงจะก้าวหน้ามากกว่านี้ให้ให้ก้าวหน้านะก็มีสตินะมีสติรู้สึกทันใจของเราเรื่อยๆถ้าเรามีสติเราจะมีศีล ถ้าเรามีสติเราจะมีสมาธิถ้าเรามีสตินะรู้กายรู้ใจมันทํางานไปเรื่อยเราจะเกิดปัญญาเห็น <c oughs> ความจริงของกายของใจเฉะั้นตัวสําคัญมากก็คือความมีสติคอยรู้สึกตัวบ่อยๆกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทั น, พในใเพราะกิเลสครอบงําใจไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะถ้าใจเราฟุงา้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับไปจิตของเราจะเกิดสมาธิ <c oughs> เกิดความสงบโดยอัตโนมัติ trucks. นะแล้วเราพอจิตใจสงบอยู่ก็เนื้อตัวโยมดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยนะ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 ความปดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึง่งจิตใจที่ไปรู้ความผลความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งค่อยๆแยกไปด้วยขอบคุณเจ้าการหลวงพ่อตื่นเต้นรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกไหมมันตื่นเต้นต น, นะเอาละสีเล่นเก้าอี้ดนตรีละอย่าถึงขนาดตบะะตีกันนะ <laughs> กลาบนมัสกรารหลวงพ่อค่ะ ก็ฝึกมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าหนูแบบมีจริีแบบตริตแบบีแบบหนูว่าแก่การฝึกแบบไหน่ะค่ะเรารู้ไหมล่ะเป็นอะไรก็รู <ub> ้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไหมเราช่างคิดรู <ub> ้ค่ะนั่นแหละเราคอยรู้ไปเวลาเราคิดเรื่องนี้ใจเป็นสุขเราก็รู้ <ub> คิดเรื่องนี้ใจเป็นทุกข์เราก็รู้นะ <ub> คิดเรื่องนี้โมโหก็รู้ทันว่าใจมันโมโหแล้ว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 เราเป็นแค่คนดูแค่คนรู้สึกเห็นร่างกายมันก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออกแต่ส่วนมากพอหายใจแล้วใจชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมใช่ค่ะพอตอนหายใจแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วแล้วอย่าดึงคืนมานะถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็อยากให้สงบไปเพ่งจ้องไว้ไปดึงจิตคืนมานี่ใจจะแน่นๆน่นถ้าภาวนาแล้วใจแน่นแน่นผิดแล้วเก็บกวดแล้วเครียดเกินไปคือถ้าสมมเวลาฝึกแล้วมันแน่นแน่นนี่คือรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่ากําลังเพ่งอยู่อ๋อใช่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 ตั้งบุญที่เคยทำใช่ไหมคะเออไปคิดถึงบุญที่เคยทําถ้าโพวนาฟุตโตนี่ช่วยได้ไ้มครหลวงพ่อได้แต่ว่าได้ชั่วคราวเหรอคะเดี๋ยวลืมฟุตโว่ากลับไปคิดใหม่ค่ะแล้วมีอะไรที่ที่ที่หลวงพ่อจะแนะนํามั่งละคือจริงๆอาภูศลใดๆที่ทําไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ละค่ะอดีตผ่านไปแล้วนะปล่อยมันไปเถอะค่ะใจเรากังวลขึ้นมาในปัจจุบันเศร้าหมองขึ้นในปัจจุบันเรารู้ทันว่าใจเราเศร้าหมองนะมากลับมารู้ลงปัจจุบันไป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 ส่งการบ้านครั้งที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เป็นกลางแล้วก็ยังเพ่งอยู่ครับหลวงพ่อก็อดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็เ อ, อมีครั้งนึ่งครับหลวงพ่อมันไปเห็นสภาวะที่มันแบบว่ามันเป็นแบบว่ายิบยิบครับวัยยิบยิบแล้วมันก็อึดอัดะครับหลวงพ่อวัยยิบยิบหน้าอย่าจงใจดูถ้าจงใจดูมันจะอึดอัดครับนะดูไหวยิบยิบไปเหมือนดูอะไรอย่างหนึ่งแต่อย่าถล่มลงไปจ้องดูห่างห่าง ครับหลวงพ่อแล้วพอมันยิบยิบแล้วครับระว่าดใจมัน เ, เกิดตัณหาขึ้นมาครับไอตัวยิบยิบนี่มันจะแบบแรงขึ้นนะครับหลวงใช่ถูกต้องแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกรนะรู้ด้วยความเป็นกลางเนีย่ยถล่มลงไปจ้องขอวิหารธรรมหลวงพ่อครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูต่อไปนะขอบคุณมากครับกล่าวนามสการต์ตัค่ะหลวงพ่อก็คือว่า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 เวลาคิดก็คิดได้เองใช่ไหม<ช>เวลา<ช>โลกหลุดลงมันก็เป็นของมันเองเราตามดูไปเรื่อยถึงวันนึงเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนมีสองคนในร่างเดียวันมีสองคนใช่ไหมออถูกต้องแนละ้วคนหนึ่งแสดงไปคนหนึ่งดูบางคนมีสามคนนะเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่คู่เลยอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการแล้วก็อย่างเวลาก่อนนอนเนี่ยค่ะก็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 มีตัวเข้าไปยึดก็ดูไปว่ามีตัวยึดนะ่ะไม่ห้ามหรอกอดีที่เห็นนี่ดูสลับกันได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนของมันเองไม่ใช่จงใจนะมีอะไรให้รู้ร่วนนั้นไม่ได้จงใจว่าจะรู้ตัวไหนนะเ อ, เอที่ทํามานี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดีกิด ล, ละละแต่ก่อนมันเพ่งลูกเดียวอ๋อแล้ววิหารธรรมที่ควรจะใช้เป็นตอนั่นแหละนะเราช่างคิดดูดูจิตไปอ๋อค่ะมีมีอันไหนต้องแก้ไหมคะไม่แก้นะไปได้แล้ว <c oughs>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 แต่จะทําให้ผมรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วครับใช่แต่เราก็ไปตัวเองอก็รู้เลยว่าตัวเองอเป็นคนขี้โมโหอ๋อดจีจริงจริงทั้งโมโหทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงอะไรองี้ครับทุกอย่างครบหมดเลยครับอ๋อดีดีด<ะ>ที่รู้นะแล้วก็ฟังหลงซีดีหลวงพ่อมาหลวงพ่อบอกว่า อ, อรู้อะไรก็รู้ไปเนืองๆรู้แบบซื่อๆผมก็พยายามทำตาม ท, า ท, า ท, า ท, าที่หลวงพ่อบอกแบบแบบว่าเป็นเด็กไม่เดือดครับแล้วมาช่วงเนี้ย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 ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหมออกใจจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้ครับเราตามดูไปเราจะเห็นเน่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้จริงหรอกครับดูอย่างนี้บ่อยๆไปครับอเชิญครับขอบคุณครับกรรมนักสักการหลวงพ่อครับขอเท้าความคุณผู้หญิงท่านแรกเกี่ยวกับเรื่องวิหารธรรมนะฮะหลวงพ่อว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมเมื่อเรารู้จิตนี่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 พอจิตมันตื่นมาบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตนะหมุนไปเรื่อยๆไม่คงที่ลนะะเบื้องซ้นเอาวันเดียวแต่ว่าพอสติตัวจริงเกิดแล้วมันไม่อยู่กับที่ละเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องคือตอนแรกฟังว่าฐานของจิตเนี่ยก็เลยคิดว่ามันจะมีอยู่สภาวะเดียวเลยทุกอย่างที่จะเชิงนี้เคลียร์มากเลยฮะขอบพระคุณฮะหลวงพ่อครับกราบนักสการหลวงพ่อครับ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 ภาวนาได้ดีคุณนมศสการพราจารย์ค่ะหนูว่าหนูคลําควรรดลองค่ะลดลองรู้สึกไหมใจเราเข้มแข็งขึ้นค่ะมาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ปล่อยให้คล่าควรนเะสียเวลาแต่หนูว่าหนูตอนนี้หนูเห็นว่าหนูอัตราสูงค่ะดีที่เห็นแต่ก่อนสูงแต่ไม่เห็นคือเมื่อกี้ยกมือก็เห็นอัตรา ย, ยกตามเ อ, อดีที่เห็นภ<ะ>าวานาเริ่มเป็นแล้วละ่ะ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 อยู่กับที่ไม่ได้หงุดหงิดหาอะไรที่เคลื่อนไหวทําไปเพราะฉะนั้นก่อนนอนหนูนั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะไปเดินเอาสิหรือไม่ก็ไปหางานบ้านทําไปเรื่อยๆยก่อนนอนค่ะก่อนนอนก็ทําได้นะจัดที่นอนอะไรเงี้ยเห็นไหมจัดที่นอนเไงไงนอนรือเราต้องใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยจัดภาพปัดขี่ฝุ่นนะวางม้อนอะไรเงี้ย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 ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันแสดงว่าเราต้องรู้ทันรู้ทันทีเลที่เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรตัวจริงเลยยกไปในเรื่องงานด้วครับใช่ตอนนี้งานผมที่ทำนี่เป็นงานทําผ่าตัดเหตุร่างกายคนไข้ออันนี้เราจะน้อมเข้ามางานงานอะไรนะงานทําผ่าตัดผ่าตัดแล้วครัตั้งใจผ่าตัดนะอย่าเจริญสติตอนนั้นนะก็ช่วงหลังนี้ก็ฟังเอ็ีสามหลวงพ่อไปด้วยแล้วทําผ่าตัดไปด้วยเี่ย อย่างน้อยใจเครียดขึ้นมารู้ทันนะใจเป็นยังไงคอยรู้ทันแต่คุณหมออย่าฟังจนจิตรวมเพืแล้วกันนะเดี๋ยวไปปัดอะไรเขาไม่รู้ขึ้นมารจริงจริงแล้ววิหารธรรมของผมเนี่ยต้องอะไรแน่ก็เลยแบบกายกายใช่ไหมแล้วก็อีกอย่าง น, นึงก็คือว่าจะ ท, ที่ปฏิบัติมานี้เป็นอย่างไรบ้างครับที่ปฏิบัติมาใช้ได้นะสมาธิเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นดีเพราะฉะนั้นคุณหมอดูกายไปเรื่อยเลยเห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดู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 ให้ดูจิตเป็นหลักใช่ไ้มครับคือจิตไปนะครับแล้วกายที่พยญญายมองดูอยู่นี่ปฏิบัติผูกไหมครับอย่าอย่าจงใจจ้องมันนะแค่รู้สึกครั บ, ครบแค่รู้สึกไม่เพียงนะนั่นนี่อกาญนี่ขอกราบขอขมาหลวงพ่อด้วยหากมีวัจกรรมหรือวโนกรรมแล้วก็อา้าวใดใดกเ็เอาอกายกรรมอะไรก็เอานะอ า, อาโหสินะวัจกรรมไม่เท่าไหร่นักกายกรรมนี่น่ากลัวหน่อยขอบพระนักการหลวงพ่อค่ะ ไม่มีโอกาสไปเจอหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อปีกว่ามาแล้วหลวงพ่อทักว่าวเข้าไม่ไหนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินค่ะหลวงพ่อทักว่าเออเครียดมากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมทั้งในรูปแบบแล้วก็ปีกว่าค่ะแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ประมาณคอสเพนก็ประมาณสิบวันนะคะแล้วก็มีมพัฒนาการขึ้นมาบ้างนะคะก็จะมาถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างะคะการไปดูเวทนาหรือเปล่า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 กับน้มัศ ก, การหลวงพ่อนะครับพอดีผมตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิก่อนนอ น, นะครับก็คือทําแบบที่หลวงพ่อแนะนํามาก็คือให้รู้กายรู้ว่านั่งรู้ว่าท้องพองท้องยุบคราวนี้คือรู้ไปแล้วมันรู้สึกนิ่งๆขึ้นม า, อ ย, าอย่าน้ําใจให้นิ่งนะเวลารู้รู้สบายๆดูสบายๆอย่าไปน้อมใจให้ซึมก่อน ค, อคุณพอจะเริ่มมาดูกายเนี่ยคุณจะทําใจให้ซึมไหมเงี้ย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 <l acht> ร่างกายเป็นคนทํานะรเราจิตใจเราไม่ได้ทําใช่ไหมร่างกายไปชกเขา <l acht> ก็ช่างมันให้ร่างกายมันไปติดคุกมันไม่รับจริงหรือเมันไม่รับไม่ได้ใชครับ <l acht> อย่าไปคิดอย่างนั้นนะกายกรรมมโนกรรมวาจีกรรมมีผลทั้งสิ้นแหละครับผมขอ บ, ขอบคุณพระอาจารย์มากคล้ใครวาดชะศพนะเะคยจําเรืเ่องกรรมมนิษ์ได้ไหมฆ่าคนนะเอาดาบฟันคนเนี่ยถือว่าผ่านไปในอนุช่องว่างของอนุไม่ได้ฆ่าใครไม่บาป กายมันทํานะใจไม่ได้ทำเอาค่ะ น, นมาสการหลวงพ่อคะ่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองอะคะ่ะเป็นคนที่สุขง่ายเกินไปหรือเปล่าครับไม่จริงรอ่ะเราไปคอยดูนะใจเรามีความเครียดแทรกขึ้นเป็นระยะระยะนะสุกเนี่ยมันสุกเย้อมเยิมเคลิมเคลิมไปรู้สึกไหมใจอย่างเงี้ยโหละล้าไปเรื่อยๆน ะ, ะมันสุกหลอกหลอกอันเนี้ยนะแล้วก็ขอวิหารธรรมในการ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 คราวนี้เราจะพูดได้คําเดียวว่างว่างไม่มีใครฟังละค่ะขอบคุณค่ะกับกัดนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นน้อยกว่าตอนที่เข้าคิวค่ะอืมดีที่รู้ค่ะเห็น<ข>ไม่ตื่นเต้นก็ไม่เที่ยงค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงถึงจะมีฉันทะในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่า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 ถ้าความขี้เกียดนั้นทําเราล่มจมอดทนไปก่อนมันขี้เกียจภาวนาเราก็ตามรู้ตามดูไปรู้ทันใจที่ขี้เกียจนะ <Okay. S 1> มันอยากนอนแนละ้วทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่สมควรนอนลุกขึ้นมาภาวนาลุกขึ้นมาเดินนะออกห่างๆที่นอนอย่างเงี้ยต้อง <Okay. S 1> นะอดทนก่อนเบื้องต้นแล้วอย่างนี้จะดูจิตหรือเปล่าคะดูไปทั้งหมดเลยนะร่างกายก็ต้องรู้ดูได้ทั้งหมดเลย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 ใจเรามีความอยากผุดขึ้นมาเราคอยรู้ทันใจที่มีความอยากถ้าความอยากฝุดขึ้นมารู้ทันไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่ละคือรู้สึกกลุ้มใจกับสภาวะความเป็นแม่ค่ะ เ, ออเดี๋ยวไปกลุ้มนะถึงยังไงก็เป็นแล้วค่ะเ <c oughs> นนี้ไปได้ยังไงเปิดแล้วนะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ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 แล้วที่ปฏิบัติมาเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่อย่าจับเอาตัวรู้ไว้เขาแล้วกันอ๋อค่ะคือรู้แล้วก็ปล่อยเขาไปเลยใช่ไหมคะนั่นเป็นธรรมชาติอ่ะเหลือสองคนพอดีพดีหมดเวลาได้สองคนอ่ะเชิญกราบนวสักการหลวงพ่อค่ะเปลี่ยนเต้นมากค่ะเออแพ้กิเลสค่ะตอนแรกคิดว่าหลวงพ่อคงเหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่า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 รู้สึกไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมนั่งตัวนั่งอยู่ที่นี่เห็นไหมใจหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วค่อยรู้ทันบ่อยๆนะอ้าวว่าไปกลับราเทศกาเพ่อพระอาจารย์จ้ค่ะเออคือจะรีถามเกี่ยวกับเอกอกรณีที่เป็นคนโมหะโมหะจริตนะะแล้วก็การจ ะ, ะปฏิบัติวิธีไหนจะเหมาะนะฮะโมหะเราก็กระตุ้นมันหน่อยนะใช้ร่างกายเนี่ยอย่าง